คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรี FM แปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ Printing and Packaging อย่าง Designer สองพันสิบเก้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบรุรีขอเชิญน้องน้องนักเรียนมทัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช เข้าร่วมการประกวดออกแบบหลายกราฟิกบนถุงผ้าลดโลกร้อนชิงเงินรางวัลรวมหนึ่งหมื่นห้าพันบาทพร้อมใบประกาศนียบั ต, กะตกรกฎเกณฑ์ง่ายง่ายสมัครเดียวหรือกลุ่มไม่เกินสามคนใช้ไอเดียออกแบบให้เต็มที่ส่งผลงานเป็นแบบร่างขนาด A สามถ่ายภาพผลงานพร้อมส่งใบสมัครได้ที่ facebook com slash digital printing rmu tt ตั้งแต่บัดนี้ถึงสองกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสอง สอบถามเพิ่มเติม02 549 4531และที่087 518 1624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 ขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ English Now You ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระใจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรีโดวยระบบ FM ความถี่ 89.5 เมกะเฮิร์ซคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณาภาพชีวิตวันนี้พบกับดิฉันชลุกนาจีนสีดิฉันพุทธนาสวัสดโยธินเราสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ รายการของเราออกอากาศในทุกวันพุธแล้วเราจะอยู่ประจําในเวลาตีสี่ถึงตีสี่ครึ่งเป็นประจําทุกสัปดาห์วันนี้นะคะตรงกับวันพุธ ท, ที่ยี่สิบหกเดือนมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองค่ะวันนี้รายการของเรานะคะนําเคล็ดลับการใช้ภาษาอังกฤษมาฝากท่านฟังกันค่ะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการนัดพบชวนเที่ยวนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการตอบรับ นะคะหรือปฏิเสธไม่ไปนะคะและอาจจะมีเรื่องของการตกลงเรื่องเวลาและสถานที่นัดหมายกันด้วยนะคะที่เราสองคนจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะค่ะการชวนใครสักคนนะคะออกมาข้างนอกออกมาเที่ยวอย่างเงี้ยนะคะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้ว่าอย่างไรบ้างเรามาดูนะคะประโยคแรกนะคะคุณมีอะไรทำไหมคืนนี้เราจะถามเขาก่อนนะคะเราก็ใช้ประโยคว่า are you up to anything this evening? Are you up to up nth this どうしたの มีแผนที่จะทำอะไรเย็นนี้ไหมเราก็จะถามคู่สนทนาว่า Have you got any plans for this evening อีกหนึ่งครั้งนะคะ Have you got any plans for this evening คุณมีแผนที่จะทำอะไรเย็นนี้หรือเปล่าค่ะคุณว่างไหมนะคะ Are you free นะคะอย่างเช่น Are you free this evening นะคะเราก็อาจจะใส่นะคะ ใส่ช่วงเวลาลงไปหรือ Are you free tomorrow afternoon Are you free tomorrow afternoon บ่ายพรุ่งนี้ว่างไหมนะคะใช้ Are you free แล้วก็ตามด้วยนะคะช่วงเวลานะคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Are you free tomorrow evening Are you free tomorrow evening ก็คือเย็นพรุ่งนี้เนี่ยว่างหรือเปล่าคะ่ะ ค่ะถ้าเกิดเราไม่อยากจะเป็นคนคิดแผนนะคะว่าคืนนี้จะทำอะไรนะคะเราก็อาจจะให้เพื่อนนะคะเขาได้เสนอความคิดก็ได้ค่ะเราก็อาจจะถามว่า What would you like to do this evening นะคะ What would you like to do this evening หมายถึงคุณอยากจะทำอะไรในเย็นนี้ในคืนนี้นั่นเองค่ะ ะอาจจะถามเพื่อนว่าคุณนี่อยากจะไปที่ไหนในสุดสัปดาห์นี้นะคะอยากจะไปไหนอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ประโยคง่ายๆว่า Do you want to go somewhere at the weekend? Do you want to go somewhere at the weekend? ก็คือคุณนี่อยากจะไปไหนไหมในสุดสัปดาห์นี้ค่ะค่ะอันนี้จะเป็นสำนวนที่เอ่ยปากนะคะชวนเพื่อน ว่าอยากจะมารับประทานอาหารกับตัวเราไหมนะคะเราก็จะถามอย่างสุภาพนะคะว่า Would you like to join me for something to eat นะคะ Would you like to join me for something to eat นะคะหมายถึงคุณอยากที่จะมาร่วมรับประทานอาหารกับฉันหรือเปล่าค่ะตรงนี้นะคะมีการใช้กริยา join นะคะ join ก็คือการมาร่วมนั่นเองค่ะ ประโยคต่อมานะคะคืนนี้คุณอยากออกเที่ยวกลางคืนไหมนะคะเราก็จะใช้ว่า do you fancy going out tonight do you fancy going out tonight ค่ะเมื่อเราตอบรับนะคะว่าไปแน่นอนนะคะเราก็จะบอกว่า sure นะคะ sure หมายถึงแน่นอนค่ะค่ะแล้วเพื่อมีเพื่อนชวนนะคะเราก็อาจจะบอกเขาว่าฉันเนี่ยก็อยากจะมาร่วมด้วยนะคะเราก็อาจจะพูดกับเขาว่า I love to I love to ค่ะสำนวนนี้ก็ได้นะคะ sounds good นะคะ sounds good หมายถึงก็ฟังดูดีนะค่ะหรือฟังดูน่าสนุกนะ that sounds like fun that sounds like fun นะคะค่ะแล้วถ้าต้องการปฏิเสธนะคะเราก็จะปฏิเสธอย่างสุภาพนะคะว่า sorry I can't make it sorry I can't make it หมายถึงขอโทษทีนะฉันไปไม่ได้จริงจริง คะแต่ถ้าเรานะคะมีเหตุผลว่าเราไปไม่ได้อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเราก็อาจจะบอกเขาว่า I'm afraid I already have plans I'm afraid I already have plans ก็คือฉันเนี่ยเกรงว่าฉันเนี่ยมีแผนอื่นเรียบร้อยแล้วอ ะ, ะอะไรเงนี้ยก็เลยไปไม่ได้นะคะค่ะบอกความรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็ได้นะคะ I'm too tired I'm too tired หมายถึงฉันเหนื่อยแล้วอะ หรือฉันจะอยู่บ้านนะคืนนี้ก็คือไม่ออกไปไหนนะคะเราก็จะพูดกับเขาว่า I'm staying in tonight I'm staying in tonight ก็คือฉันจะอยู่บ้านคืนนี้ค่ะเราอาจจะบางทีอาจจะต้องหาเรื่องงานมาอ้างก็ได้นะคะว่ามีงานมากมายที่จะต้องทำนะคะเราก็จะบอกว่า I've got too much work to do นะคะ I've got too much work to do ฉันมีงานมากมายที่จะต้องทำค่ะ หรือเราอาจจะเอาเรื่องเรียนมาอ้างก็ได้นะคะเหมือนมีเพื่อนชวนออกไปนอกบ้านแล้วเราไม่อยากไปนะคะเราก็อาจจะบอกความจำเป็นนะคะกับเขาเป็นภาษาอังกฤษว่า I need to study I need to study ก็คือฉันนี่อยากจะทบทวนน่ะอยากจะเรียนอย่างเงี้ยนะคะค่ะหรือว่าบอกว่ายุ่งมากเลยตอนนี้นะคะ I'm very busy at the moment I'm very busy at the moment. ฉันยุง่งมากเลยตอนนี้ค่ะหัวข้อต่อมานะคะเมื่อเมื่อเพื่อนเนี่ยได้ชวนเราออกไปเที่ยวข้างนอกนะคะแล้วเราก็จะมีการพูดคุยนะคะตกลงเรื่องเวลาการและสถานที่นัดหมายนะคะมาดูประโยคแรกนะคะ What time shall we meet? What time shall we meet? ก็คือเราเนี่ยควรจะพบกันตอนกี่โมงดี ชวนกันไปพบกันตอนนั้นตอนนี้นะคะ่ะเราก็จะใช้คำนวล Let's นะคะ Let's meet at นะคะเช่นเจอกันพบกันตอน8โมงแล้วกันเนอะเราก็จะบอกว่า Let's meet at 8 o'clock Let's meet at 8 o'clock พบกันตอน8โมงนะค่ะหรือเราจะถามนะคะคนที่นัดหมายกับเราชวนเราออกไปข้างนอกนะคะว่าเราจะมาเจอกันที่ไหนดีนะคะก็ใช้ประโยคนะคะว่า Where would you like to meet Where would you like to meet? you to どうもありが o'clock. し o'clock. I will see you at the cinema I o'clock see the meet you at at there นーะ คะประโยคต่อมานะคะใช้พูดนะคะบอกฉันด้วยนะถ้าคุณมาได้นะคะเราบอกว่าบอกฉันด้วยถ้ามาได้ก็คือเราอาจจะใช้ประโยคว่า let's me know if you can make it let's me know if you can make it หรือว่าอาจจะมีการโทรศัพท์คุยกันตอนหลังนะคะเราก็จะบอกว่า I will call you later I will call you later หมายถึงแล้วฉันจะโทรหาคุณในภายหลังนะ ในกรณีนี้นะคะเราขอทราบที่อยู่หน่อยเพราะวาเราต้องนัดเจอกับเพื่อนข้างนอกนะคะหรือเจอกับที่อยู่ที่เราจะไปนะคะ What's your address? What's your address? ก็คือขอทราบที่อยู่ของคุณหน่อยค่ะและเมื่อนัดกันแล้วนะคะแต่บางเอิญเนี่ยเราไปถึงช้านะคะเราก็อาจจะบอกเขานิดหนึ่งนะคะว่าอ่ำ running a little late นะคะอ่ำ running a little late หมายถึงฉันมาช้าไปหน่อยนะค่ะในการนัดหมายกันนะคะประโยคที่ควรดูอีกหนึ่งประโยคนะคะฉันจะไปถึงที่นั่นในอีกนะคะแล้วก็ตามด้วยนาทีหรือหรือเวลาที่เหลือที่เราจะไปถึงที่นั่นอย่างเช่น I be there in five minutesI be there in five minutes ก็คือฉันเนี่ยจะไปถึงในอีกห้านาทีแล้วนะ และสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้องมูลดีๆจาก www.tonamon.com slash English Conversation Dating ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ฟังนะคะพักฟังเพลงกะหาต่อจังสถานี้แล้วกลับมาพบกับพวกเราในช่วงสุดท้ายของรายการ English Around You ติดตามฟังกันให้ได้นะคะรายการ English Around You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 シャンゴポンダイテクリトンテレー、ベトンベトンモープテイテミキヘポンヘランパンギャン。シャンミヤダン、シンディคัญคือการที่เราได้พบ ก, กัน クラウンドのとうときに歌うと バディチンピンシャンの手でたンニータイミパプンツェルガーウェイパイナイウェイパイハクワンダーベンネステルクキュー アティアンキテ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 เพราะฉันได้รักเธอว้าว้าเพราะฉันได้รักเธอสำหรับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนรยีราชชั่วโมงคนทันยิบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม r m u t moving towards innovative university。 ค่ะในช่วงนี้นะคะเรานำบทสนทนาภาษาอังกฤษค่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องการถามทางหรือบอกทางเป็นภาษาอังกฤษนะคะมาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะค่ะการสอบถามเส้นทางนะคะง่ายๆค่ะเราก็จะใช้สำนวนว่า Excuse me Could you tell me how to get to นะคะตามด้วยสถานที่ที่เราอยากจะไปนั่นเองค่ะอีกหนึ่งครั้งนะคะ Excuse、me. could you t k l l m e h o w to get to? นะค ะ, อนนะคทนเราอาจจะบอกว่าขอโทษนะคะหรือขอโทษนะครับคุณทราบไหมว่า ะะสถานที่ตรงนี้มันอยู่ที่ไหนนะคะเราก็อาจจะใช้ประโยคว่า Excuse me, do you know where the นะคะอย่างเช่นเราอาจจะบอกแบงค์นะคะเราอาจจะอยากไปแบงค์เราก็อา จ, จะพูดว่า Excuse me, do you know where the bank is? Excuse me, do you know where the bank is? ก็คือขอโทษนะคะคุณทราบไหมคะว่าแบงค์หรือธนาคารยอยู่ที่ไหนคะค่ะ มานะคะหรืออาจจะใช้สำนวนนะคะว่า I'm looking for นะคะ I'm looking for หมายถึงฉันกำลังหาค่ะเช่นเราอาจจะมองหาสถานีรถไฟฟ้านะคะเราอาจจะบอกว่า I'm looking for the Skytrain Station นะคะ I'm looking for the Skytrain Station ฉันกำลังมองหาสถานีรถไฟฟ้าอยู่ค่ะค่ะ ประโยคต่อมานะคะทางนี้เนี่ยไปจุด ๆ, ๆนี้ใช่ไหมนะคะตัวอย่างค่ะ is this the right way for นะคะแล้วก็ตามได้วยสถานที่ที่เราจะไปค่ะอย่างเช่น is this the right way for field park rangers is this the right way for field park rangers ก็คือทางนี้เนี่ยไปฟิลด์พาร์ครังสิตใช่ไหมค่ะจำนวนที่เราอาจจะใช้ต่อได้เอีกนะคะ can you show me on the map นะคะ can you show me on the map หมายถึงช่วยบอกทางฉันบนแผนที่หน่อยได้ไหมคะค่ะต่อมานะคะถ้าเราไม่รู้จริงๆนะคะเราก็อาจจะบอกนะคะเราไม่รู้ทางนั้นจริงๆเราก็ต้องบอกว่า I'm sorry I don't know I'm sorry I don't know ก็คือขอโทษนะคะเราหรือขอโทษนะคะฉันไม่ทราบจริงๆค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดเราต้องการบอกว่าตัวเราเนี่ยไม่ใช่คนแถวนี้นะคะเราก็จะบอกว่า Sorry I'm not from around here Sorry I'm not from around here ขอโทษนะคะฉันไม่ใช่คนแถวนี้ค่ะค่ะประโยคนี้นะคะเมื่อนะคะคนที่เรามาถามคนที่มาถามทางเราเนี่ยเขาอาจจะไปผิดทางแล้วนะคะเราก็ต้องบอกเขานะคะว่าคุณเนี่ยกำลังจะไปผิดทางแล้วนะเราก็จะใช้ประโยคว่า you are going the wrong way you are going the wrong way ก็คือคุณเนี่ยกำลังไปผิดทางแล้ว ถ้าเกิดเราต้องการบอกให้เขาใช้ถนนเส้นนี้นะคะไปตามถนนเส้นนี้เลยค่ะเราก็จะบอกว่า take this road take this road ไปตามถนนเส้นนี้ค่ะค่ะสมมติว่าที่ที่ที่จะไปนะคะอยู่ตรงแยกแรกนะคะอยู่ตรงทางแยกแรกให้เลี้ยวซ้ายนะคะเราก็จะใช้ประโยว่า take the first on the left take the first on the left ก็คือแยกแรกให้เลี้ยวซ้ายค่ะ แต่ถ้าเป็นแยกที่สองให้เลี้ยวขวานะคะเราจะบอกว่า take the second on the right take the second on the right ค่ะประโยคต่อมานะคะเมื่อถึงสี่แยกแล้วนะคะให้เลี้ยวขวาเราก็จะใช้ประโยคว่า turn right at the crossroads turn right at the crossroads ถ้าเราต้องการบอกให้คนคนนั้นนะคะเขาเลี้ยวขวาที่ทางสามแยกค่ะเราก็จะบอกว่า turn right at the T junction turn right at the T junction เลี้ยวขวาที่ทางสามแยกค่ะค่ะบอกให้ไปทางนั้นนะคะอาจจะใช้ประโยคง่ายๆว่า go down there go down there ก็คือไปทางนั้นนะคะค่ะถ้าลอดใต้สะพานนะคะ go under the bridge go under the bridge ลอดใต้สะพานค่ะ ในประโยคที่ข้ามสะพานนะคะประโยคข้ามสะพานเราจะใช้ว่า go over นะคะ go over the bridge go over the bridge คือข้ามสะพานไปค่ะ go over the roundabout นะคะ go over the roundabout หมายถึงเข้าไปในวงเวียนค่ะตรงนี้นะคะที่เรานำเสนอไปเนี่ยเป็นการบอกทิศทางเราจะมีการใช้กริยาช่องที่หนึ่งนะคะ ก็คือมันจะออกมาในรูปแบบของเชิงคำสั่งนิดหนึ่งนะคะเราใช้เวิร์บช่องที่หนึ่งได้เลยทันทีค่ะให้ใช้ go turn take ที่อย่างที่เรานำเสนอไปนั่นเองนะคะค่ะประโยคต่อมานะคะคุณจะข้ามทางรถไฟอย่างเช่นนะคะ you cross some railway lines you cross some railway lines ก็คือคุณเนี่ยจะข้ามทางรถไฟค่ะและเมื่อเขาข้ามทางรถไฟ รถไฟไปแล้วนะคะถ้าเกิดสถานที่นั้นนะคะแล้วคุณจะเจอมันเนี่ยเราก็จะบอกกับคน BROWN ต аксим ส Einsatz ไปว่า it will be นะคะเช็ดมันจะอยู่ทาง semantic ของคุณเรากจะบอกว่า it will be on easier risk It will be on your left, on your left แล้วมันจะอยู่ทางซั้ง semantic ของคุณคือแต่ถ้าเกิดว่าจะอยู่ทางขวานะคะเราก็เพียงแค่เปลี่ยน left นะคะเป็น right ทีุ่โก้นให้ด่ REAL Crime และเป็น Stanford IT WILL BE ON YOUR RIGHT It will be on your right มันอยู่ทางขวาของคุณและถ้าเกิดว่ามันอยู่ตรงหน้าคุณเลยนะคะเราก็จะบอกว่า it will be straight ahead of you it will be straight ahead of you มันอยู่ตรงหน้าของคุณค่ะค่ะ ในเรื่องต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องการหาที่พักนะคะเมื่อเรามาหาที่พักนะคะเราก็อาจจะบอกนะคะถามเขาว่า we are looking for accommodations we are looking for accommodations แปลว่าเราเนี่ยกำลังมองหาที่พักอยู่หรือใช้ง่ายๆก็ได้นะคะว่าเราต้องการที่พักบอกไปเลยคะ่ะ we need somewhere to stay we need somewhere to stay เราต้องการที่พักคะ่ะ หรือเราอาจจะขอคำแนะนำว่าคุณมีอะไรายชื่อนะคะโรงแรมเหล่านี้ไหมยอย่างเงี้ยนะคะก็าอาจจะใช้ว่า do you have a list of hotels do you have a list of hotels ค่ะถ้าเกิดอยากได้ห้องพักนะคะที่มาพร้อมกับอาหารเช้านะคะเราจะต้องให้คำถามนะคะว่า do you have a list of BnBs do you have a list of BnBs คุณมีห้องคุณมี รายชื่อห้องพักที่มีอาหารเช้าเสิร์ฟด้วยหรือเปล่าคะค่ะประโยคที่น่าสนใจต่อมานะคะอย่างเช่น do you have a list of campsites do you have a list of campsites ก็คือคุณเนี่ยมีรายชื่อนะคะสถานที่ที่ตั้งแคมป์ได้หรือเปล่าคะ campsites ก็คือสถานที่ตั้งแคมป์ค่ะประโยคคำถามที่เราอาจจะ เคยได้ยินกันบ้างนะคะเขาจะถามว่า What sort of accommodation are you looking for? What sort of accommodation are you looking for? หมายถึงคุณกำลังมองหาที่พักแบบไหนอยู่คะค่ะประโยคต่อมานะคะ Can you book accommodation for me? Can you book accommodation for me? คุณจะช่วยจองที่พักให้ดิฉันหรือกระผมเนี่ยได้ไหมค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์แล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะถ้าเกิดเราอยากจะถามนักเดินทางคนนั้นนะคะว่าเขาสนใจในเรื่องของอะไรนะคะเราก็จะถามว่า what are you interested in what are you interested in หมายถึงคุณสนใจในเรื่องของอะไรคะ่ะค่ะต่อมานะคะ are there any exhibitions on at the moment Are there any exhibition on at the moment? ใช่ไหมคะก็คือตอนนี้เนี่ยที่ที่นั่นเนี่ยนะคะมีนิทรรศการไหมอันนีก้คือเป็นความสนใจว่าที่นั่นที่นี่ตอนนี้มีงานเหตุการณ์อะไรบ้างคะ่ะค่ะถ้านักเดินทางคนนั้นนะคะเขาอยากจะรู้เรื่องของงานแสดงวัฒนธรรมนะคะเขาก็อาจจะถามว่า Are there any cultural events on at the moment? Are there any cultural events on at the moment? ตอนนี้ที่นั่นมีงานแสดงวัฒนธรรมไหมคะค่ะหรือถ้าเป็นงานกีฬานะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นคำศัพท์เป็น sporting events นะคะ sporting events นะคะก็คือเราก็จะแต่งประโยคว่า are there any sporting events on at the moment are there any sporting events on at the moment ก็คือตอนนี้ที่ที่นั่นเนี่ยมีงานกีฬาบ้างไหม และสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.tonamon.com slash englishconversations asking giving directions ค่ะค่ะวันนี้รายการของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับรายการ English Around อยู่ได้ใหม่ในวันพุทธหน้าช่วงวลตี4ยังตี4ครึ่งทางสถานีวิทยุกระใจเสียงมหาวิทยาลายเทคโนโลยีราชมงคนนันยาบุรี